พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอาณาละโยวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดหนองบัลลงพูเรื่องกุศลอักุศล ทำทั้งหลายก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่สกลกายของเราไม่ต้องไปหาเอาที่อื่นดอกมีคกบริบูรณ์หมดสติปัฏฐานทั้งสี่ก็มีก็แม่นเราควรทําเอาท่านให้พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมสี่อย่าง ให้พิจารณาอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละไม่เอาหมดทุกอย่างดอกสามมัประธานสี่ก็มีเพียรละบาปให้เพียรบำเพ็ญบุญสามมัฏประธานสี่มีว่าประหารณประธานประหารบาปละบาปบาปปรากฏขึ้นที่จิตนี้แหละไม่เกิดขึ้นจากที่อื่น เพราะจิตไปรวบรวมเอาอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกก็หมายเอาห้าอย่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไปรวบรวมเอามาปรุงมาคิดพิจารณากายมันก็ไปถูกเวทนานั่นแหละครั้นจะพิจารณาจิตมันก็ไปถูกทำจิต มันเกิดขึ้นกับใจเรียกว่าธรรมารมสี่อย่างนี้ธรรมารมก็ไม่ใช่อื่นคืออดีตที่ล่วงมาแล้วไปนึกเอามาดีชั่วอย่างไรก็นึกเอามาอารมณ์ที่ชอบใจก็นึกเอามามาหมักหมมที่ใจนี้อนาคตยังมาไม่ถึงก็เหนียวเอามา เอามาเต็มอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าธรรมารมนี้เรียกว่าสติปัญฐานสี่สมมัิปทานสี่ประหานประทานเพียรละบาปไม่ให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วจะประหารเพียรทำกุศลให้เกิดให้มีเรียกว่าภาวนาประทาน อนุรักษ์นาประทานเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปภาวนาประทานทําให้เกิดให้มีมากๆเสวิตายะให้เสพมากๆเสเพื่อตั้งอกตั้งใจมีสติประจำใจตั้งอกตั้งใจไม่ปล่อยใจให้มันลอยไปตามอารมณ์ กุมจิตใจให้มันอยู่กับที่เอาสติควบคุมแล้วเราบำรุงกำลังหรือภลระของจิตศรัทธาภระวิริยะภระสติภลระก็มีอยู่นั่นแล้วแม่นเราจะทำเองสมาธิพระปัญญาภลระอินทรีย์ห้าก็ว่าภระก็ว่าอินทรีย์ภระ คือทำให้มันแก่ก้าให้มันใหญ่ขึ้นไปก็แม่นอันเดียวกันนั่นแหละศรัทธาพละรวมทำทั้งหลายทำอันเป็นเครื่องที่จะให้วันลุคุณความดีเบื้องสูงก็มีอยู่ที่เรานี้หมดไม่ได้ไปค้นคว้าเอาที่อื่นมีอยู่ที่นี่แหละอัดถังคิกมกัรคมัร8คอันนี้เป็นทาง พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วโพธชงเจ็มีสติสัมโพธชงให้มีธรรมวิจยะสัมโพธชงให้เลือกเฟ้นธรรมธรรมเป็นอกุศลให้ตัดออกธรรมเป็นกุศลให้ประกอบให้ดีขึ้นวิริยะสัมโพธชงเพียนให้เกิดให้มีปิติสัมโพธชงครั้นธรรมแก่กล้าขึ้นไปมันจะเกิดปิติ ความอิ่มเ อ, อิบเรื่องจิตเรื่องใจปิติเกิดขึ้นปัสสัตความสงบสงบกายสงบใจความสงบกายสงบใจครั้นสงบแล้วสมาธิสัมโภธชงเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นก็เกิดอุเบกขาสัมโภธชงทมเหล่านี้เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม37ประกอบธรรมหมู่นี้ให้สมบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าธรรมพละหรือกำลังของจิตให้เกิดขึ้นอันนี้แหละจะเป็นกำลังของจิตทำให้เกิดให้มีให้สมบูรณ์ให้ครบบริบูรณ์แล้วจิตมันจะสงบได้จิตสงบจึงจะเกิดความสว่างขึ้น เกิดยานความรู้รู้ก็ไม่ให้รู้อื่นคือให้รู้สกลกายของเรารู้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงว่าอบรมจนมีกำลังเป็นสามัคคีกันแล้วมันจะเกิดยานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารคือรู้สัธจธรรมทั้งสี่ของจริงทั้งสี่ นี้เห็นแจ้งประจักษ์เมื่ออบรมอันนี้ขึ้นแล้วมันเห็นความเป็นจริงแล้วมันจะมีความเบื่อหน่ายเมื่อมีความเบื่อหน่ายมันจะคลายความกำหนัดและอุปาทานความยึดว่าเขา ว, ว่าเราว่าตัวว่าตนว่าผู้หญิงว่าผู้ชายอันนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละ เราหลงสมมุติจึงให้พิจารณาอุบายเครื่องกล่อมจิตเครื่องควบคุมจิตให้จิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับที่จิตตั้งอยู่กับที่แล้วนั่นแหละมันจะเป็นกําลังรวมขึ้นเป็นอาวุธศีลอาวุธศีลก็ให้บริสุทธิ์สมาธิวุฒจิตก็ให้ตั้งเป็นปกติ ตั้งมั่นอยู่กับที่ปัญญาวุธให้ปัญญาประหารกิเลสคือราคะโทสะโมหะให้มลายไปรวมทั้งปวงนี้มีครบบริบูรณ์อยู่ในสกลกายทุกรูปทุกดามนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เทศนาสั่งสอนนั่นแหละให้ทำเอา เราตัดถาคตเป็นแต่ผู้บอกให้เท่านั้นแหละผู้ที่ทำให้เกิดให้มีต้องเราเราต้องทำเองผู้อื่นทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้เป็นแต่เพียงสั่งสอนให้ทำตามทำตามแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นทุกจริงไม่มีที่อื่นเรื่องปฏิบัติธรรม มันไปถูกสกุลกายถูกสกลกายก็ถูกทมนั่นแหละแม่นธรรมดาทั้งหมดนั่นแหละต่อเมื่อยานความรู้เกิดขึ้นจะเป็นหมดเห็นหมดเราตาดีมองดูช้างเห็นหมดทั้งตัวช้างนะไม่ต้องไปรูปแข้งรูปขามันรูปงวงมันรูปนี่นั่นมันเหมือนคนตาบอด พวกเราก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละใครปฏิบัติทำอย่างไรก็ว่าถูกของตนพวกนั้นผิดเราถูกทุ่มเถียงกันทะเลาะวิวาทกันมนุษย์ในโลกมนุษย์เป็นโลกอันสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางกลางอะไรกลางบุญกลางบาปกลางสุข กลางทุกกลางมีกลางจนกลางนรกกลางสวรรค์กลางพรมโลกกลางพระนิพพานเราทำเอาเองหมดอยู่ในเมืองมนุษย์หมดพวกพระอินพระพรมเทพพระบุตรเทพพยดาพวกเทพธิดาก็อยากลงมาทำบุญในเมืองมนุษย์พวกนั้นไปถึงสวรรค์แล้ว ก็มีแต่เพลิดเพลินอยู่กับการไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรดอกเขาเป็นพระอินทร์พระพรษ์เป็นเทพธิดาเทพพระบุตรเขาก็มาสร้างเอาในเมืองมนุษย์เสียก่อนสร้างเอานี้แหละแล้วก็ไปเสวยบุญของตนอยากลงมาเมืองมนุษย์มันครบปฏิรูปเทศวาโสประเทศมนุษย์ ประเทศอันสมบูรณ์พระอินก็อยากลงมารักษาอุโบสถในมนุษย์พญานาคก็ขึ้นมารักษาอุโบสถที่นี่คือพระภูรีทัตพญาครุตก็มารักษาที่นี่เพราะมนุษย์เป็นชาติอันสมบูรณ์ด้วยพระรันาตนตรตมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสร้างบรารมี ก็สร้างเอาที่นี่สําเร็จเป็นพระสยามภูสัมมาสัมพุมพธทธเจ้าก็มาสร้างเอาที่นี่สาวกบรารมีก็สร้างที่นี่พระปัจเจกกะโพก็มาสร้างที่นี่ผู้ที่จะสร้างเอานรกเหมือนพระเทวทัตก็มาสร้างเอาที่นี่มีสองทางเท่านั้นทางไปนรกหนึ่ง ทางไปสวรรค์และพระนิพพานมีสองทางพระพุทธเจ้าจึงว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมามีสองทางบุญกุศลที่บุคคลสร้างแล้วอันนี้เป็นกุศลกรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปเสวยความสุขอกุศลเรียกว่าอากุศลธรรมอันนั้น เป็นอาบุญยาพิสังขารตกแต่งให้สัตว์นั้นได้ตกนรกเป็นเปรเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสองทางพระพุทธเจ้าว่าให้ไปทางดีนี้แหละทางพระพุทธเจ้าทำมาแล้วแต่งมาแล้วให้ไปทางนี้ทางนรกนั่นอย่าไปทางทุจริต กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์นั่นเป็นทางนรกอย่าไปทางบริสุทธิ์กายทําอะไรก็ถูกต้องพูดอะไรก็ถูกต้องใจคิดถูกต้องอันนี้เป็นทางบริสุทธิ์สุจริตทําอันนี้เป็นทางไปสวรรค์มาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติเหมือนคุณทั้งหลายนี้แหละ มนุษย์สมบัติสิ่งทั้งปวงเราทำเอาหมดทั้งนั้นเราคิดเอาหมดทั้งนั้นผู้อื่นทำให้ไม่ได้ต้องตนทำเอาได้วิชาศิลปศาสตร์ก็เพราะคุณไปศึกษาเล่าเรียนมาตั้งใจเล่าเรียนเอาจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตปานนี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีลาบมียศ เจริญสุขมันตนทำให้ตนคนอื่นทำให้ไม่ได้ตนทำให้ตนผู้โง่เข่าก็เหมือนกันตนทำให้ตนมีอยู่นี่แหละทำทั้งหลายนี้แหละทำเอาอุตสาห์ทำไปวิริเยนะทุกขมัสเจติคนจะก้าวล้วงทุกได้เพราะวิริยะความเพียร เพียรทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างคนทําความเพียรชื่อว่าคนไม่ประมาทผู้ที่ข้ามมหานรกพ้นสมมุติได้ก็เพราะไม่เป็นผู้ประมาทในคุณงามความดีทางบุญทางกุศลคนประมาทมันมักทําบาปทํากรรมใส่ตนคนประมาท ชีวิตจะยาวร้อยปีก็ตามก็เหมือน ก, นกันกับคนตายแล้วคนไม่ประมาทชีวิตเขาจะเป็นอยู่วันเดียวยังดีกว่าผู้ประมาทเป็นอยู่ร้อยปีนั่นประเสริฐกว่าระหว่างอยู่คารวาสเราก็ฝึกเสียให้มีขันติความทนทานไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความลำบากให้มีวิริยะ ความภาคเพียนในคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเพียนละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเพียนละเพียนถอนมันจะทำไม่ดีก็เพราะใจนั่นแหละมันเป็นผู้ทาสกลกายนี้เป็นเครื่องใช้ต่างหากมันเป็นของกลางไม่ใช่ของใครของเราเป็นของกลางผู้ฉลาดมาใช้อันนี้ ใช้สกลกายอันนี้ทําคุณงามความดีร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระแก่นสารทรัพย์สมบัติวัตถุภายนอกก็ไม่เป็นแก่นสารชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่เป็นสาระแก่นสารเมื่อผู้ฉลาดผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทแล้วมาทําร่างกายให้ประกอบคุณงามความดี มีการเดินการยืนมีการนั่งการนอนประกอบอยู่อย่างนั้นได้ชื่อว่าทำสกลกายของตนให้เป็นสาระแก่นสารทำชีวิตของตนให้เป็นสาระแก่นสารบริจาคให้ทานไปตามได้ตามมีตามเกิดก็ได้ชื่อว่าทาทรัพสมบัต วัตถุภายนอกให้เป็นแก่นสารเอาเข้ามาไว้เป็นอริยทรัพย์ภายในของตนเสียการทําความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทําอริยทรัพย์ของตนทําให้ตนเมื่อเรายังไม่พ้นทุกข์ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารลักจักนี้ทรัพย์อันนี้ไม่มีสูญหายไปไหน ต้องติดตามไปทุกภพทุกชาติให้ได้ความสุขทุกภพทุกชาติจึงว่าควรทำค่อยทำไปแต่ก่อนๆท่านที่เป็นครวาสท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาสกิการาอนาทบินท ธ, ธิกะก็ดีนางวิสาขาก็ดีว่าแต่ผู้จำได้ ส่วนนอกนั้นก็นับไม่ถ้วนพวกคารวาสที่สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาผู้มีศรัทธาผู้มีความยินดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เลือกว่าต้องนุ่งเหลืองจึงจะสำเร็จไม่ใช่นุ่งขาวก็ไม่ว่านุ่งเหลืองก็ไม่ว่าหัวโลนก็ไม่ว่า หัวดำก็ไม่ว่าสําเร็จหมดชั้นสูงก็ไม่ว่าชั้นต่ำก็ไม่ว่าสําเร็จหมดไม่เลือกชั้นเลือกวันณนะไม่เลือกชาติเลือกภาษาผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทำลงไปแล้วไม่มีผลไม่มีต้องมีผลทีเดียวทำน้อย ก็ได้รับผลตามน้อยทํามากก็ได้รับผลตามมากติดตนเป็นอริยทรัพย์สมบัติอันนี้ได้รับผลตามกำลังพวกคุณเกิดมาชาตินี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างบาปก็ไม่ได้ทําสักหน่อยมันก็เป็นผู้บริบูรณ์แล้วพึงเข้าใจว่าเราไม่พ้นในชาตินี้ มันก็รู้จักกันเดี่ยวนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกรู้จักกันเดี่ยวนี้แหละจะเป็นเทพยดาอินพรมก็รู้จักแต่เป็นมนุษย์นี้แหละเสวยสวรรค์ดิบอยู่ในมนุษย์นี้แหละจะได้ไปพระนิพพานก็ได้เสวยอยู่ในมนุษย์นี้แหละได้เห็นในมนุษย์นี้เสียก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ อนุตรสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นแหละนิพานดิบในมนุษย์รู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่ในมนุษย์นี้เสียก่อนผู้จะไปนรกก็เห็นกันที่ในมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่ใช่ตายแล้วนรกมาคุมเอาตกนรกไม่ใช่ตกแต่เดี๋ยวนี้ก็ให้คิดดูคนยากจนค้นแขน เหมือนกับเป็นเปรตหูหนวกตาบอดที่ทูดกุดถังนี้มนุษย์เป็นอันนี้ผู้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณแหละก็ได้ชื่อว่ามนุษย์สเทโวผู้มียางอายผู้มีฮิริโอตปะเรียกว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์สาอินโท เห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละมันมีใช่ไหมทำกรรมมันต้องเป็นกรรมแน่ทำกรรมดีต้องได้กรรมดีแท้ทำเหตุไม่ดีทำเหตุร้ายต้องได้รับผลร้ายผลที่ไม่พอใจมีอยู่นี้ให้พิจารณาดูคนเกิดมาในโลกนี้ครั้นถ้าบาปไม่มีบุญ ไม่มีแล้วมันคงจะเพียงกันไม่ต้องพิจารณาหาเหตุผลจะมีก็อย่างเดียวกันเพียงกันจะจนก็จนอย่างเดียวกันจะโง่ก็โง่อย่างเดียวกันอันนี้มันผิดกันผู้ฉลาดก็ฉลาดเอาเหลือล้นผู้มีก็มีจนเหลือเฟือผู้จน ก็จนจนลืมตายจึงว่ามีทุกอย่างหาเหตุหาผลเห็นกันอยู่ในโลกนี้ยากจนคดแค้นหูหนวกตาบอดครั้นเห็นบาปเห็นบุญเห็นประจักษ์อยู่ในมนุษย์นี้แล้วเราจะไม่กล้าทำบาปจะประกอบแต่คุณความดีตามกำลังของตนไปตลอดชีวิต ให้มีความสัตย์ความจริงตั้งลงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เอาอะไรก็ตามยามสงบสงัดเราจะเข้าที่ทำความสงบใจไม่ให้มันขาดจะเอาอย่างนั้นตลอดวันตายสาระอื่นข้าพระเจ้าไม่เอานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเอาแต่พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งตลอดวันตายให้ตั้งต้นจากนี้ไปทำไปหรือไหว้พระก็ตามย่อก็มีอย่างพิสดารก็มีถ้ามีกิจจำเป็นเราจะลุกก็ไม่ลุกไปเฉยเฉยลุกขึ้นแล้วก็ต้องไหวาอารหังสวากขาโตสุปฏิปันโน อย่าให้มันขาดเวลามันมากก็ทำอย่างพิสดารเราถืออะไรให้ถือจริงๆจังจั ง, จงให้มีความสัตย์ความจริง